เรามาพักฝ่าเพื่อพักจิตพักใจใชมาเกี่ยวเฉยๆการพักกายพักง่หน้าจะไปพักอยู่ไหนขอพพักก่อนหย่อนใจดักส่วนการพักใจพักย่าต้องอาไัสถานที่อาไัพักพวกส่วนุูงครูอาจารย์แนะนำสั่งสอน จึงจะได้รับความสงบทักผ่นได้ถ้าหากไปด้วยเงินฝื้อันเดียวกันไม่มีใครสนใจจะพักใจไม่จะคุยกันไปคุยกันไปเรื่องเนาะถึงจะเข้าไปในถานที่เงียบสงบด้วเวทที่เราพูดเราคุยกันสัญญามันเก็บจําเอามาใค่จิ ปุงไปในอารมณ์สัญญาต่างๆจิตก็ไม่มีวันพักผ่อนในบดสัมผัสในอัดธรรมสั้นการพักจิตจึงควรจะหาสถานที่หากัล ย, ยาณมิตรหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความสงบมีอัดมีธรรมในใจเลี่ยงหา คือหาอาจารย์หาท่านที่มีธรรมะเป็นของหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพอยหาของมีค่าทาั้งโลกเพราะเพชรพอยของมีค่าราคาสูงถ้าเรามีเงินจะไปซื้อเอาเท่าไยก็ได้ในตลาดเขาขายกันแต่พระที่มีอัตฎาธรรมนั้นเรามีเงินเป็น หลายๆพันล้านจะไปซื้อหาที่ไหนหาไหนได้เป็นของหายากหาลํบาบากททักษิชนี้อาจจะทําทํททางๆสนใจอะไรเรือของโลกเพราะฉะนั้นเรามีเงินจึงไปซื้อไปหาของจากทางไหนได้เพราะทางไนต้องการอะไรนอกจากต้องการทำ นี่เป็นการหาพระหาครูหาอาจารย์ที่มีธรรมะที่เป็นเนื้อนบุญของโลกนอกจากนั้นเรื่องหาพร ะ, ะภายในคือใจของตัวเ อ, องนั้นก็ยิ่งยากเข้าไปเพราใจของพวกเราท่านเคยสะสมในเรื่องของโลกจุกข้องโจนในเรื่องที่เหลปัญหา นับพบนับชาติไม่ได้แล้วจะมาแก้ไขขับไล่อย่างที่เหลือปัญหาออกไปจากกายจากใจมันเป็นเของยากแต่ก็ไม่เลือ้อยลุ่ยใสของผู้ที่ตั้งใจประเพื่อปฏิบัติเพือ่อทำได้จิตของตนไม่อย่างนั้นทุกคนควรจะเชิญอยู่ในกองของที่เหลือผู้ที่ตั้งใจประเพื่อปฏิบัติากางจัดภายในใจผิวเคย ของจิตทิ่โตเด่นเกี่ยวกับเ่องของปิเลตปัญหานั้นคลายไปตกไปใสสะอาดสุขสบายแทนจึงได้เป็นสมะจัลลณะนำธรรมะมาสอนพวกเราทาไมอย่างนั้นทุกคนปฏิบัติได้เลยดีใสของผู้ทุจรแล้วคนนี้ใครที่จะนำธรรมะปฏิบัติธรรมะมาได้ ภาสนาโกลมละลายไปงานแล้วนี่เลยเป็นอย่างนั้นท่านที่ตั้งใจอีกสักพยายามกฏิ จ, จัดขับไล่เรื่องที่เหลือปัญหาตั้งหน้าปฏิบัติจริงจังยังมีจิตแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้อวดว่าท่านปฏิบัติปฏิบัติอัดรำว่าดีว่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรื่องของใจท่าหาไปถึง ความสงบสกจริงจังมันไม่มีคันมอยเดินอยากดังเหมือนทางท่านอยู่สถานที่ใดสงบสงบเขามาเกี่ยวข้องเหยื่อใจก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เหนื่อยอะไรจากเขาเขาติเงินทนาการลมปากของเขาเราไม่ได้เสื่อมหรืเสียอะไรอีกเหมือนกันท่านอยู่สถานที่ใดสะดวกสบายภายในท่านอยู่หนูเป็นเรื่อง อยู่ท ja e <No. S 1> ี่มีอาจมีทำในจิตในใจในโย่ข้องยุ่งเหยือยากดังอยางเด่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่สถานคือใดพอพักผ้าอาศัยสะบวกสบางท่านก็อยู่ไปจิตใจของปุ่มหมดเรื่องวุ่นวายกังวลเป้นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านมันดังกังวลวุ่นวายคึยหา ความสงบคล่องใจหาความสุขคลองใจหาทางและนับดับเกี่งความป <c oughs> ูงคิดปิดคลองไปต่งางๆหาครูหาอาจารย์หาสถานที่แล้วก็ให้ที่นี่ที่จะศึกษาในตัวของตัวเองการไปพักผ่อนสถานที่ใดตั้งใจไปพักผ่อนอบรมจังสอน อัจทำแก่เวกของตัวเองเราไปสถานถือนั้นนั่งก็ดีเดินก็นดียืนนอนก็นดีแล้ตั้งหน้าต่างตากมหนดรักษาจิตของเราอยู่สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้จิตคิดตึงเกี่วข้ของกับสัญญาอารมณ์ภายนอกแล้สอนใจให้อยู่ในวงต้องอัดของทำหรือสฏิบรติกรรม ฟุตโทรุตโทรคาห็นจิตเก็บจงอยู่ในธรรมบริกรรมของตนจนฟุตโธรเป็นจิตจิตเป็นฟุตโธรเบิกบานรู้เตือนอยู่เหมือนี้สัญญาลมส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องรบกวนใจสุขใจสบายหรือในอย่างนั้นคือกําหนดลมหายใจเข้าออกจะเป็นผีสบายขอางตัวคให้กําหนดออกอย่างไรเข้าอย่างไรกดกาหนดอยู่นั้น จ, ดดจะเหตุใจหยุการคิดตึงข้างนอกเราทำอยู่แต่ดิบดุเม่อไรจะถานที่ใดที่เราไปเพื่อจะเหตุใจของเราสงบใจของเราสุขใจของเราเย็นเมื่อเราสร้าเกิดตัวของเราอย่างนี้จะถานที่ที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ทรงสอนเอาไว้ในตําดับตารางที่บอกว่าเป็นสัปเพะ ลราจะทราจากการจะรทำบำเพ็ญคงสุกคือสทถทานที่ที่เราไปนั้นบางแห่งบางห็นทั้งทั้งที่เราตั้งเป็นอย่างเดินต่างหน้าต่างตาปฏิบัติคงตนคงว่าจะจิตใจของเราก็แสบใส่ไปตามที่เหลือกันหาพอนีนสอนมาได้ดึงมาได้เยอะไปวกไปทางนั้นเยอะไวกไปทางนี้ไม่มีโอกาสเวลางสงบระงับดับที่เหลื ให้สุขเห้สบายได้ทั้งทั้งทตั้งใจทั้งทั้งสิทธิาเพียงยามโดยจิตมันกลมกลรวมโดยรวมให้ให้สุขให้สบายให้ให้สงบให้แต่ฐาที่อย่างนั้นถึงเป็นที่เสียวไม่มีคนคุบคอทุกขานก่อตามไม่เป็นสติยั่ำหรับใจของเราเพราะใจไม่สงบไม่ล้งง แต่ทา้งคือใดเมื่อเราสร้างเกลียดจิตใจของเราเราไปแต่เพื่อปฏิบัติพอเข้าไปมันเย็นสบายอยากจะทําภาวนาและเราก็มีพื้นฐานในการภาวนามาอยู่พอขอไปทำลื่นๆหน่อยๆกาหนดจิตกําหนดใจรู้สึกว่ะมันเย็นมันสบายมันสงบลงไปใจว่างสจไหวใจเบื่ใจบ้าน ทั้งๆ ท, ที่ทำเหมือนกันกับสถานผู้อื่นแต่ก็มีคุณค่าราคาสูงสำหรับใจคือมันปลุกมันสงบให้ชินคือในใจเหวนเยคเยจนในใจก็เกิดก็เห็นก็เกิดขึ้นความคิดทางด้งนานปัญญาเคยสงสัยในปัญหาต่างๆพอพิจารณาไปปัญญาก็ผุดขึ้นเกิดขึ้นสามารถเาลีไย ขับไล่ความสงสัยต่างๆให้ตบออกไปหมดออกไปแต่ฐานที่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเนี้ยสอนว่าเป็นสับไตรยาควรดางยิ่งที่เราจะไปแต่ทรมเ ท, ท, ท, ทินเราทำจิตธรรมใจเพส่าแต่ฐานที่ในเจอว่าทาไปทุทกผลทุกเห่งทำได้ทุกผลทุกแห่ ทำไปตูต้เหิ้เหน่ทานเหนาตู้เหวินตู้่จิแต่สถานที่จเป็นสัพไตรยนั้นมันงหน่ยมันสบดยกว่ามันสะดวกกว่าหูึ่งผู้ปฏิบัติด้อัดทาภายในท่านจะทาจะเข้าใจในตัวของท่งานเพราะท่นผ่านไปเนะี่ยถานที่ต่างๆต่างหน้าต่างตาไปภาวนาละกิเลสชั้นชั้ที่ที่สงบ โอกาสเวลาภาวนาทำความเยียมนี้อมากใจจิตใจใม่เต็มไปโอกาสภาวนานี้อมากเหมือนกันใจจิตใจเต็มไปถ้าจริงว่าเป็นสัปเพะะอ่ะสัพเะคือผิวสบายไม่สบายสำหรับผูททททบ้ที่มองดูภายในใจของตัวเอาเพื่อปฏิบัติยิ่งเต็นขึ้น ถ้เราเห็นข้อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราไปทัศนาจรธรรมดาก็ไปชมคิวพัศต่างๆว่าวัดนั้นสะอาดสะอ้านวัดนั้นน่าดูน่าอาศัวัดนั้นโปรก๊บๆโฉมนมต่างๆนานาแล้วใจจะคิดจะรุงไปไมได่ดูภายในคี่ดูแต่ภายนอกไปเห็นก็เทียงได้ใส่เหนใส่จิตของเราเห็นว่าวัดคือสะอาด เล้ยงานอย่างนี้ก็เพราะถ้าในวัดนั้นทนมีอจัจมีธรรมต่างนาต่างซารักษาขวัตรวิปุฏฐในเกาปล่อย ป, อยป่าล่าเลยทำด้วยในสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้วัดจึงสะอาดสถานที่จึงง่ายดูนาอาศัยแล้วมันจะสะอาดได้ก็เพราะคนคนคือรักษาในเคราวัดนั้นมันจะอาดตเอง เป็นคนตปางหากรักษาควาัประดิษฐตามธรรมวีในสิที่พระเจ้าทรงสอนวัดจิข่อยสะอาดหน้าดูหน้าอยู่หน้าอาศัยว่าจิตปรโฉโก้นอยู่หน้าอาศัยไปแล้วรู้สึกตากาสบาพอดูอะไรตัวหนึ่งหน้าดูหนูกาไม่สบายพอฟังเรื่องอะไรใน คั้งคนนั้นพาพิสุสามเณรเหล่านั้นพูดกันคุยกันเนเหมือนกับว่านักเยนขี่เหล่าขี่กันตาต่างๆนานาหาธรรมะจิตหลุดออกจากตาไม่มีแ้่จิตใจเป็คิ ด, คดเรื่องอะไรมันก่อไปอย่างนั้นคนครใหญ่จะสรา ก, กันได้เห็นกันได้ ดูกันถูกเข้าใจเรื่องของคนมันก็บ่งบอกออกมาทางวาจาพวกขี้คาขายเขาก็จะต้องคุยกันว่าคาขายอย่างนั้นคาขายอย่างนี้ได้กาไรดีหรือขาดทุนคนจิดเป็นชาวประมองเขาหาปลาเขาคุยกันเรื่องหาปลาของเขาคนจี๊เขาจี๊ดยาเขาคุยกันกืน กินเหล้ามองยาต่างๆนานาคนกิจกรรมทํานาทาําสวนเขาขวบไปตามหน้าที่ของเขาทําะรจะการงานเมืองสมุนกันนี่เป็นเรื่องของคนถ่วไปเขาสนใจอะไรเขาจะเอาอันนั้นมาพูดถึงพูดไปเรื่องอื่นกวโยกเวียนมาหาเรื่องของเข า, ข า, าที่เคยสนใจพอบังคับ ใมันไปก็่านีน้นิดหน่อยหน่อยเยอะน้อกวกลับมาหาสิ่งที่มันสงใจมันยินดีมันทําดูพผูที่ทอ่าจมีทำก็นเหมืนกันท่านจะเรื่องอา่านเรื่องทำของท่านสมัยพุทธการหรือครูอาจารย์ที่ไปเพื่อปฏิบัติอัดทำสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันก็นเหมือนกันเมื่อต่างหน้าต่างตาไปเพื่อปฏิบัติภาวนาแล้วท่านไปพบกันเห็นกัน จะต้องไปถามมามาจากที่ไหนไปเวทที่ไหนมาเป็นอย่างไรภายในจิตใจดีขึ้นไหมจะต้องถามภาวนาอะไรพิจารณาอะไรใจมีกําลังขนาดไหนจะต้องถามกันเรื่องอจิตใจที่ไปแต่ทำมันเพียนั้นนี่หมายถรงผู้ปฏิบัตทิทําำชำระขี้เละแต่ถ้าสมัยนี้ ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราโดยเต็ใหญ่ไม่ใค่เต็นไปแบบนั้นพอพบหน้ากันก็ถามส่างอะไรทำอะไรได้ทุนมาจากไหนไปแบบนั้นคือการสนใจแก่ไขจิตใจไภายในนั้นหายาลำบากทงทั้งสี่มีพระแน่นประเทศอยู่นับแสนเลยได้จะเมืนมากจิง ปริมาณแต่คุณค่าสาระจรียงจังหายยากถึงปริมาณมันจะมากแต่มันมีคุณค่าเสมือนกันกับฟางเรื่อเหียนขายก็เลยได้ทีแ็ดต่างแต่เพชรถอยเมดเล็กๆเ ล, เ ล, เล็ดเดียวท่อนั้นถ้าหากเป็นเพชรน้ําดีดมันก็มีราคาสูงเม็ดเดียวกวขายได้มากกว่าขายฟางต่างหลายเ่ๆเหียน มันผิดกันอย่างนั้นถ้าที่พวกเราถนเหนก็เมือนกันมันมีมากเราจะต้องพิรุพิเจอนาศึกษาพิเจอนาหาครูห า, อ, หาอาจารย์ด้ยวยิตด้ยวยปัญญาของเราไม่ใช่ว่าเป็นช้าแล้วเราก็จะาสรจะไหง่ายจิวกวาจะเลียนสายศรัทธาถ่ายเดียวถ้าพระจรงมันก่ไม่มีผิด ไปสาบไปไหว้ปสักการาบูชาทำบุญสปนทานอะไรกับท่านมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้ามันพระหรือแท้กันแน่ต้องดูให้ทั่วให้ถึงไม่อย่างนั้นจะขาดทุนสูงกาไรไปเกี่ยวข้องกับท่านนอกจากเสียวเวลาเสียเข้าของแล้วยังเสียใจอีกเพราะท่านนั้นไม่มี อะไรที่เป็นไปในธรรมด้วยไหมไม่จะเสียใจยภายหลังเทุกอย่างอาศัยสติอาศัยปัญญาที่นีพพิจารณาเยะก่อนยิ่งคอยการทำบำทําเพ็ญไปคนนั้นจะไม่เสียใจยภายหลังเพราะคนที่มีปัญญาจะได้เกียวคนที่ไม่มีปัญญาเสมอ ม, มาในว่าทำจิตการอะไรทั้งหมดต้องอาศัยคน มีปัญญารักษาศ า, าสนาก็อาศัยคนมีปัญญามีธรรมศาสสนาจึงคงส่วนคงวามาได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองกลมเนื้อกันอาศัยคนมีปัญญารักษาถ้าไม่มีปัญญารักษาใส่คนจีรทุปัญญาหาปัญญานี้ได้มาเป็นกุหลับกุยใหญ่รักษาประเทศชาติ จะหล่นโฉมเสียหายไปรักษาครอบครัวก็ต้องอาศัยสติสัญญาอยูเนมือนกันไม่อย่างนั้นสินของและครอบครัวก็ไม่ทราบว่มันขาดทุนหรือได้กำไรอย่างไรแเราจะซื้อจะขายตลอดถึงลูกหลานของเราถ้าเราไมมีปัญญาสามารถที่จะสอนเขาเขาก็เหมือนเทวบเด่นไสเด็กเหล่านั้นก็ไม่มี อะไรที่จะดีขึ้นนอกจากจะนําความเสื่มเสียมาให้เสียตัวท่องตัวฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรที่จะทิจารณาศึกษาแต่ปัญญาทางโลกมีตํำรับตำาราพอที่จะเรียนแจะศึกษาได้ปัญญาทางธรรมกว่าพอเรียนพอศึกษาได้แต่ปัญญาที่เเรียนมาศึกษามา จากําหรับําราเล่าฟังมาจากคือจากอาจารญญาย์เป็นปัญญาของท่านผู้เขียนเป็นปัญญาของท่านผู้พูดไม่ใช่ปัญญาของตัวเองปัญญาเสวนนี้อยู่นอกไม่คอยจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาที่พระพุจะจทธเจ้าเฉลิมเฉยสังะเสนว่เป็นปัญญานั้นหมายถึงตัวของเราท่านแต่เพื่อปฏิบัติในอดในธรรม เกิดเป็นเห็นขึ้นจากจิตใจของตนเมื่อมีอะไรมาสัมผัสเกี่ยวข้องเมื่อดอารมณ์ตัญญาที่เหลือตัญหาหน้าไหนเกิดเป็นขึ้นในจิตในใจเรามีปัญญาสามารถขับไล่ตัดออกเมืม่อในจิตใจเราร้อนเมืม่อในจิตใจเกี่ยวข้องเัวพันทันกับการกับเวลา อะไราเกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งที่ชั่วเสียนนั้นนั้นใจตกไปโกรธเรียบหยต่างๆมันหมดไปตกไปใจมันสว่างสวัสิ่งผิดเป็นพิษเป็นภคยคนทั่วไปเดือดร้อนใจของท่านที่มีปัญญามีธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นใจของท่านเย็นใจของท่านสบาไม่หุนหวายกังวล เหมือนคนที่มนเด็กึกเหมืคนที่มนมีปัญญามีคือปัญญาภายในจะตล่องอาศัยการประทตษการปฏิบั ต, ติฝึกอบยมจิตใจให้เป็นสมาธิคือสงบเยอกเยี่ ต, ใใตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ปัญญาต่างๆนานาเมื่อจิตังเรียนได้ฝึกสบายปล่อยวางอารมณ์ เงียบสงบสิ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเ็นมาก่อนมันเกิดขึ้นติมขึ้นความเย็นความสบายนั้นมันเป็นนามธรร ม, าามจะเอามาอวด ก, กัน ไ, นได้แต่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันหนูมีวัตถุมันหนูเป็นวัตถุคนก็เคเลยหนูรู้ไม่พอใจแต่ความสงบสงัดไม่อาจในธรรมถือพระพุทธเจ้าหรือถือาจารย์สมาฐานทผ่นนี้สอนนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ยมันฝุ่ มันจะได้กันแค่ไหนเพราะม่นเป็นวัตถุเขาไม่มองเห็นเหนืตาเนื้อของเขาเขาก็เลยสห็นใจแาความสุขส่วนนี้เป็นอย่างไรคนที่เนใจจะต่างหน้าต่างตาศึกษาตัางหน้าต่างตาทสงละตัางหน้าต่างตาภาวนาทําความเพียรเมื่อเขาเห็นเขาเป็นภายในเขาแล้วมันก็หมดปัญหาความสงสัยที่เราวังมันเป็นอย่างไรนั้ะพอเราเห็นด้วย ใจของเราเห็นเด็กตัวของเราได้สัมผัสเด็กตัวของเราเดินร้ออ่อนแข็งทำไมจะเหนื่อยซ่าพอเราเห็นเราเพลินความสุขของโลกทุกเคยทุกคนเคยแต่จบพบมาสุดเบืการในเห็นในยินอื่นรสเลือสูดกลิ่นสัมผัสสุกเพมินี้เราเคยแต่จบพรบมาเดวยกันทุกเพลินน่ะโลกทั้งหลายติดข้อง ยึดถือหยากเป็นของดีวิเศษเป็นโจนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสเวลาจะโผล่ออกมาหาธรรมะได้ตัวพวกเราเองเคยเห็นเคยจนอยู่แล้วมันสุกแค่ไหนมัน็นอย่างไรเมื่อมาเทียบกับใจที่ลงรวมสุ่สงบจากอารมณ์สัญญาปล่อยวางที่เหลือตัญหาจะเป็นขณิกะอุปจาประอัปปนาหรือเป็น อะไรก่อตามมันเกิดมันเห็นมันเติมขึ้นถึงสมมติขอบัญญะทางโลกเราจะเกิดไม่ออกแต่เราก็เข้าใจมาการเติอนอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเคยเติมมาก่อนพอมาอบรมจิตใจมาฝึกมาปฏิบัติจิตใจเราเห็นเราเติมขึ้นก็เทียบได้ความสุขของโลกที่ขเขาลืมหลงเผื่อเชยมัวเมาฝ่าขันนั้นเพราะเขาไม่เห็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้ ถ้าทุกคนเห็นเป็นอย่างนี้ก็เลยมีทางที่จะได้หุ่นไล่เกี่ยวข้อเพราะความสุขอันนี้เป็นของสุขเลิศแต่เสิฐสุดมีคุณค่าเหลือประมาณความสุขความสบายของโลกนั้นมันเได้เกี่ยวหนึ่งของความสุขส่วนนี้เมื่อความสุขส่วนนี้มีคนณค่าราคาสูงสุขส่วนนี้เป็นของดีเด่นดีสุด เราฝุ่นนิ ด, นดหน่อยฝุ่นขี่เรารุ่มหลงเถื่อนนั้นมันคุ้นข้านิดหน่อยเราจะไปเอาของขี่มีคุ้นข้ามาประดับตัวพวงเราแต่ของขีม้มีคุ้นขา้าสาระสู ง, งอย่าง น, น, นี้เราจะปล่อยมันหนีเพ่งมันหนีชมควรหรือเราจะ้จะเข้าใจจะสอนใจทั้งตัวได้และตัดชิ้นใจกับความสูกเถื่อนนี้ถ้าหนาในต่างหนา้าต่างตา ภาวนาศึกษาอบรมใจแล้วคงไม่เห็นไม่เช็นถึงจะอายุแก่เท่าขนาดไหนใจที่จะเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าหากเป็นหากเห็นอย่างนี้เขาคงไม่ยินดีไม่เชียรใจในเรื่องของลูกเพราะเขาเห็นเข้าเป็นในจิตในใจของเขาใจของเขาเบาสบายในเกาะเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์อะไร เขาจึ ง, งมีการเยีใจดีใจกับเรื่องวัตถุภายนอกจะทราบจะเห็นจะเข้าใจชัดเจนในผู้ประปฏิบัตินี่คือเรื่องของสมาธิเชื่อกิตเลรวมปล่อยวางสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้ามานิง่งมาพักผ่อนมาสงบอยู่ภายในความ ส, ว, าสว่างสวายของใจก็เกิดขึ้นความเยอนเย็นจีจ ยิ่มใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีหลักฐานตั้งมั่นเป็นสมาชิกอย่างนั้นการภาวนาการพิจารณญนาสิญญต่างๆที่เราที่เราเคยจิดข้อเคยสงสัยด้วยอำนาจความสงบของใจสามารถที่จะนาสิ่งเหลนั้นหเห็นเด่นดเด่นชัดตามเป็นจริงได้ แั่จั่ะสมาธิปัญญาคือาา ส, าาสามารถแก้ไขที่เรืองัญหาสามารถขับไล่ความเสื่อเสียต่างๆนาน า, นาที่มายโ่งเกี่ยวกับใจหรือใจของตัวเองเพิขึ้นให้ตกให้หล่อนออกไปได้ใจเลยสะดวกใจเลยสบางเพราะเรามีอาจมีทรรมคือมีสมาธิมีปัญญาส่วนศีลนั้นมันเป็นของงา่ายใครรักษาตัวได้ สีมเป็นของดยาบแต่ทิ้งของหาบากอดตามคนเ่วโลกที่ยืนวางตั้งวนกันอยูงงง่ทุกวันนี้ก็เพราะรักษาขาองเที่งหยาบหยานั้นไม่ได้ถ้าขรักษาเทียงีนได้ตันั้นฆราวาสเิมีศีนของฆราวาสที่สู่สามมาเนินเกมีศีนตามพระปราชีโมกตามสิข้าบดขีตพระพุจ้าทมันหยัดเอาไว้เทงมีศีนจะดับ ตัว ท, ท, ท่านฆราวาสกับมีอถิ่นของฆราวาสครอบครัวเหล่านั้นหรือโลกนั้นประเทศนั้นฐานมีศีิ่นเทียบหน้ากันมันก็ไม่หยิ่งเยิงไม่หยิ่นวายสุขสบายในครอบครัวในประเทศชาติวัดที่สืบตามบรรณีที่อยู่ที่อาศัยต่างคนต่างใจรักษาศี่ทของต น, นไม่ให้ถิ่นของตวเสียหายด่ yes, างท้อย หรือทะลุหาดไปวัดนั้นก็สะดวกสบายในหยุ่งยายสัดข้องเพราะศีลเสมอกันศีลขางหาบเชี่ยงแฉนั้นจะอยูเด้วยความนสุขแต่เป็นสุขเดี๋ยวกันหมืตนตำหนิกันว่าคนนั้นทําชั่วทําเสียที่จะตีนจากทําอยู่เป็นเครื่อง รักษากายราชาภายนอกแต่รักษาใจนั้นต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาต้องอาศัยการภาวนาต้อง่อมจิตไม่อย่างนั้นจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะระงับดับขี้เหลวปัญหาได้ถึงอยู่ในตาก็อยู่ต่างแฉกกายจิตใจสายแฉกแปรปรยนไปตามเรื่องต่างๆวกวนบิ่นวน ไปในสถานที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไปเลยเยอยนี่คือคนที่ไม่มีสติรักษาปัญญาเนี่สอนใจคนที่มีสติปัญญารักษาใจท่องตัวถึอยู่บั่งตางตัวจะเหนื่อยสดงดงามแส่ใจท่องสันเย็นใจท่องสันเป็นอัดใจท่องสันเป็นธรรมท่านก็สั่เสวยงาม คนทั่วไปเหี่ยมใส่ศรัทธาเหมือนดอกไม้ถึงจะไม่มีดอกสีสวยงามกอดตามแต่ถ้าแบากลิ่น ม, มันหอมคนก็ชอบเอาไปปลูกไปรักษาไปบูชาเพราะกลิ่น ม, มันดีถึงสีมันจะสวยดอกมันจะงามแต่กลิ่น ม, มันไม่ดีมันก็ไม่มีใครนิยมเช่ชอบ แตดดินมันเหน่ามันเหนมันเป็นทิศเป็นภัยแล้วมีอยู่ที่ไหนเขาก็ไปทำลายกันฉันใดทำทำสอน ข, ของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันเป็นของดีมีคุณค่ามีสาละที่พวกเราทุกคนผู้นึ่งมืง่เพื่อจะนำความสุขมาให้แก่ตนควรสนใจต่างหน้าเพื่อปฏิบัติรักษา ใจผิดเคยวายิ่นเป็นคิดไปในเรื่องีิเลสตัญหาเมื่อเราเอาธรรมะมากำจัดขับไล่แล้วจิตใจเสื่เคยคิดไปปรุงไปจะค่อยเบาบางหรือขาดหายไปพกเราเรื่ิมเรปัญญารักษาใจใจเลยเกิดความสงบเกิดความสว่างสว่างใจเลยฝึกเลยสบาย ทั้งท้งจิตกายมีโรคภัยไ่้เจ็บเบียดเบียนกว่าตามแต่ใจคือนีอาจมิธรรมนั้นไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปตามเหลืองของกายพอเหลืองของกายนี้เดยที่เจ้านายหยาดพายเดือดจิเดือดปัญญาเดือดธรรมะจี่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิริยเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณูปังอนิจจังูปังอนัตตาเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณ คำสอนว่าวูบนี้ไม่เป็นของกีรังอย่างยิ่งมีการเสื่อมแปรเปลีนแล้วแตกสลายเป็นที่เกดของมันเรียนาู้ก่อนทำนองเดียวกันมันเกิดขึ้นได้ควางเจ็บปวดขุ่นทุกข์ต่างๆแต่มันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นหน้าที่ของมันอย่างนั้นเราเขลอใจเดี๋ยวจัญญาของเราพิจารณาถวดถึง ว่าอันนี้เป็นเรื่องของขันมาอยู่ในคำบังคับบัญชาของใครพอพูดไปเจ้าเลี้ยงเจ้าถั่วไปทั้งตับังคับไม่ได้พอเป็นเรื่องของขันขันจึงว่าอนัตตาคือบังคับบัญชามัไม่ได้มันจะเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นเสมอไปอะไรคือบังคับบัญชาได้ความรู้ความเข้าใจเคอจิอตเคยไปจิตข้องยึดยถือในสิ่งเหล่นั้น เราบังคับบัญชาได้เมื่อใจไปเย็ดไปเถือไปเกี ER ่ยวไปค้องเมื่อใจเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอย่างนี้เราเป็นเรื่ดีล่ะอันนี้เป็นขันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจคือความเป็นความเห็นของเราเป็นอันหนึ่งตังหาอันนั้นเป็นอันหนึ่งตัางหากีนหมายถึงจิตละเอียดถอปพิจารณาเยื่อสมาธิ กัญญาจริงจังมันแ ย, ยกออกได้มันเป็นคนละอันละอย่างเราจะทราบจะถอนใจภายาในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราคิดเดาเอาถ้าคิดเดาเอาพอเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมันจะไม่ทันกับการกับเวลาคืออากาศกัญยาท่าตุทุกอย่างคนอื่นเห็นก็ไม่น่าดูตัวเอง ก็ปั่นหนุตัวเองว่ามันติดมันคล้องมันแก่มันไขมันละมันถอนไม่ได้แต่ถ้ามันเห็นมันตนภายในใจละเอียดแก่ไขที่โยนาทับไร่หมดเรื่องมันขาดกันมันเป็นคนละอันละอย่างเคยพูดเคยอธิบายเรื่องเหล่านี้ แต่บางท่านบางคนก็อาจจะไม่ได้ยินใด้ฟังแต่ถึงอย่างเราดีได้ยินใด้ฟังถ้าเราเห็นไม่เป็นภายในเราก็มีความสงสัยเกิดไปถ้าหากเราเห็นเราเป็นภายในเราแล้วมันหายความสงสัยถ่วไปว่ายูเรียนธนาสัญญาสัญขันติธ่รนว่าเป็นขันธ์แล้วจิตของท่าน ว่าบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอย่างไรมันอาศัยกันอยู่มันจะมีความบริสุทธิ์ได้อย่างไรหรือมันเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ว่าเป็นลิมุตที่ขาดออกไปตกออกไปพ้นออกไปจา ก, าจากถ้าจากขันผู้ฝึกปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นเราจะภาวนาพุโทโธหรือกําหนดลมหายใจหรือจะพิจารณาอะไรก็ตามความจริง จิตใจของบุคคลนิสัยของบุคคลไม่เหมือนกันทั่วไปคนหนึ่งภาวนาอันหนึ่งจิตสงบหยัดเย็นได้คนหนึ่งภาวนาอย่างหนึ่งจิตสงบหยัดเย็นได้แต่ก็ไปถึงจุดหนึ่งเข่าอีกก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันกับเราทานอาหารอันนี้อร่อยดีแต่ทานทานเ่านานๆไปมันก็เบื่ออาหารอันนั้นอาหารอะไร คือเราชอบล้วก็นำมาทานอีกมันก็มีรสชาติอีกจะทานไปนานๆเขา้ามันก็เบื่ออีกอยู่ตั้ญยาอารมณ์ของใจก็ทำนองเดียวกันบางวันบางเวลาชอบบริกรรมบางวันบางเวลาชอบภาวนาแต่ก็จะสอนใจข่องตัวฝึกใจข่องตัวให้อยู่ในวงของธรรมเหมือนกันกับอาหารเราจะทานอะไรก็เพื่อว่าจะ ยังล่างกายขังเราให้อิ่มน้ำส้ำลานให้มีกำลังกายพอทําการงานต่อไปได้นี่ธรรมะกับธรรนองเดียวกันจะเป็นประเภทไหนถ้ า, าเป็นธรรมะมันก็ไม่ผิดทั้งนั้นผลที่สุดการจ่ทาทุกอย่างจะเป็นบนุริกรรมจะการเป็นการพิจารณาขวดตามมันก็จะไลหลรวมลงไปสู่จุดเดียวกันคือความสงบความฝนทุก เราจะทราบจะเห็นพอมันเช็มในเราเหมือนกันกับแม่น้ําทุกสายมันจะต้องไหลลงไปสู่สมุทรทะเลเหมือนกันหมดเมื่อมันไปถึงนั้นสีของมันรสของมันเหมือนกันหมดคือรสเค็มใน่ผิดแตกแตกต่างกันจะไลหลไปจากทิศใ ด, ดทางใดสายใดกว่าทางในจิตใจของพวกเราท่านการประปฏิบัติ องนั้นสอนอย่างนั้นองนี้นสอนอย่างนี้จะไปจำหนีล่ะองนี้สอนผิดองนั้นจึงสอนถูกไม่ได้เพราะท่านรู้ท่านเห็นท่านเคยปฏิบัติบําเพ็ญมาอย่างไรท่านก็เอาอนนั้นแหละมาสอนพวกเราไม่เอามาจากที่อื่นนี่คือการสอนโดยการเห็นการเป็นของตัวไม่ได้หยิบออกมาจากตำรับตาราที่อื่นพระนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่เทศไม่คยจะมี คาถมคาถาบาลีอะไรท่านเทศไปตามเรื่องที่ท่านฝึกท่านอบรมของท่านท่าเทศแอบอิงจรงอาศัยบาลีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไปยนมาท่านไปศึกษามาแต่ตำรับตำลาที่ท่านเขียนเอาไว้ก็ไม่ผิดถ้าจิตของเรามันเป็นนมัเห็นมันรู้ในอดในธรรมดูชาสกาะว่าท่านรู้ท่านเข้าใจที่เราไม่จีบไม่เขียนเอาไว้ แต่จิตใจที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นอะไรทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเนมือนกันกับนักโทษอยู่ในตล่างเรื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนานาเขาไม่เป็นโวษอะไรเขาโกยเยกว่าของนักโทษเสื้อนักโทษหมวกนักโทษรองเท้านักโทษท่านฟังสิของนั้นหนึ่มันเหนื่อยเหนื่อยไปเป็นโทษเป็นภัยอะไรก็เป็นโทษเป็นภัยเหนื่อยกันไปหมดตลอดจนลูก เนื้อของเขาบ้าน่องของเขาบ้านบบานักโทษบ้านเกินบ้านมาท่ากันว่าหาไฟเพราะเจ้าของของเหล่านั้นมันไม่ดีเท่ากันเลยวิ่งไปตามส่วนไม่ดีเห่านั้นจิตใจของพวกเราท่างก็เหมือนกันถ้าจิตไม่ดีจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีธรรมะถึงจะเรียนมาได้ขนาดไหนมันก็แก้ไขี่เลกปัญหาไม่ได้ มันยังซอมอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเรามีธรรมะจิตเราเป็นธรรมะจิตเราดีจิตเราวิเศษจิตต่างต่างก็เลยเป็นธรรมะไปหมดแล้วมีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นเวรเกียตัวข้องตัวแต่นั้นธรรมะจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านควรฝึกใจนํามาอบรมและสอนการมาวัดมาวามาพักผ่อนจิตใจจิงเป็นหน้าที่ที่จะควรทําควรฝึก พราะการงานสิ่งอื่นเราปล่อยปละละเลยมาแล e ้วแล้วไม่เดืแดเดือดห้ำอะไรมาด้วยเราจะมาทักความจิตเกี่ยความสุขความสบายปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆให้หายไปถ้าหากตั้งใจเน้นสอนตัวตรวจตาที่เจนาภายในหลายใจไม่เลยไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องนอกถ้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องก็เน้นสอนว่าไม่ได้ม嘛 คิดมาเป็นส่วนดันนะเรามาศึกษาเรามาภาวนามาชำไรจิตแต่สอนตัวอยูอย่างนั้นดูจิตของตัวอยู่อย่างนั้นสวจตาที่เจริญนัยอย่อย่างนั้นใจของพวกเราท่านจิะเคยดวุ่นวายว้าเวิได้ตามสัญญาอารมณ์ก่อนนับวันนับเวลาจะสงบจะเห็นอันยุสงของการประเิดปฏิบัติจะเห็นอันยุสงของการพักผ่อนจิตมีความสุขความสบาย จะไปทำการ ง, งานคิดอ่านอะไรเมือ่อจิตได้พักผ่อนมันมีกําลังแล้วไม่นก็คิดได้ทําได้สะดวกสบายง่ายไม่หนักเหมือนคนมีกําลังจะยิ้มจะหา่ามจะแดดจะหามอะไรก็ได้พอมันได้พักผ่อนหลับนอนไรทานอาหารยิ้นน้ำซัมลานนี่มี่แต่ใจากายทานอาหารจาใจใจเหนื่เคยทานอาหารมี่ใจกายพักผ่อนหลับนอนจใจใจเหนื่อยเคยพักผ่อน ให้ใจพักพ่อนให้ใจหยุดสงบจากสัญญาอารมณ์ลองดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสันนิษฐานว่าดีรูเกิดนั้นมันเป็นอย่างไรให้ไปจับในจิตในใจของตัวจะไม่มีทางชยอย่าธรทมานั้นมันลาสมัยมันหมดการหมดสมัยผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติขนาดไหนก็ไม่เห็นหนู มันจะ ม, มีทางสงสัยเพราะใจของเราเห็นใจของเราเป็นใจของเราเเราู้มันจึงหมดสงสัยตกไปทุกสิ่งทุกอย่างหุ่นธรรมะจึงไม่มีอากติทัมม้งคาถาสงสัยในใจไม่ว่าการใดสมัยใดอดีตผ่านมาอานาคตยังไม่ถึงมันเป็นเหมือนปัจจุบันมันไม่มีอะไรที่จะ้ป ข, ข่องจิตคิดเกินไปอีกเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไร อดีตอนาคตทั่วไปมันก็เป็นเหมือนปัจจุบันอย่างนั้นจิตของฉ่าเป็นปัจจุบันจิตของฉันเห็นเด่นชัดเรื่องทุกสิ่งทุกอยจางรวมตัวอยู่ในจิตในใจแฉะไขยตกออกไปหมดออกไปสุกสงบอยู่ทุกการทุกเวลานี่คือการชาระจิตการชาระใจรวมตัวขอทุกขันจงใช้วรักษาภาวนาชาระใจ ไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายเลือดจะเสริฐเผ่าการฝึกอบรมจิตหนือพวกสันทั้งหลายได้สดับลักฟังทำบรรยายที่อธิบายมา <c oughs> จชิงนําไปที่นิพิจรารณาในที่สุขการอธิบายธรรมะขออ่างเอาคุนภาษีรันตนใจสีพระพุทธธรรมพระสงค์จงคุ้มครองรักษาพวกสันที่เคยสาจะมิเคยชนทุกคนที่ตัไปไป้งนาปฏิบัติให้มีความสุข กายสบายใจศาถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นเสีงสำเร็จตามความมุ่งหวังเดียกันทุกส่นหน้าเทินเอวัง